2. อ, อำนาจสูงสุดเป็นของพระเจ้าจริงหรือผู้กำหนดชีวิตคนแต่ละคนคือใครจริงหรือที่เชื่อกันว่าคือพระเจ้าหรือพระพรหมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้เป็นผู้กำหนด ศา ส, สนาที่นับถือเทวนิยมก็เชื่อยิ่งและยืนยันแน่มั่นเด็ดเดี่ยวว่าพระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดที่เป็นผู้เขียนบทหรือกำหนดชีวิตให้เกิดนิยายของมนุษย์ทุกผู้ทุกคนในโลกไม่ใช่เพียงแต่ความเป็นมนุษย์เท่านั้น พระเจ้าสร้างโลกทุกดวงพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้กาหนดทุกสรรพสิ่งในมหาจักรวาลตามแบบที่พระเจ้าต้องการแต่ผู้เดียวด้วยและใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขัดพระประสงค์หรือบางอาจบงการพระเจ้า อำนาจสูงสุดอยู่ที่พระเจ้าทั้งหมดนิรันดรมนุษย์จึงจะต้องเป็นและมีหน้าที่ทำตามพระเจ้าเท่านั้นเพราะพระเจ้าคือผู้ลิขิทุกสรรพสิ่งแต่ผู้เดียวเมื่อพระเจ้าคือพระพรหม ทุกสรรพสิ่งในโลกในมหาเอกภพจึงเป็นของพระเจ้าและมีพระพรหมลิขิตแต่เพียงผู้เดียวนี้คือฐานะของผู้มีความเชื่อแบบเทวนิยม